สแสงทองได้สาดสองไปทั่วแผ่นพื้นเมตนายาดแตษาแห่งข้ า, าสุโทธทนะราชาแห่งสกกะชนบทก็ทบแสงสุยาดูเลื่อนทายประดุจธาบ ท, ทับด้วยสีทองหางบริเวณนางหลวงออกไปได้ไกลนักผืนสาหีเกษตรแพร่กระจายสุดสายตารวงอันเหืองอารามอยู่แล้ว เมื่อกระทบแสงสีแตนยามเช้าจึงรูป้ประหนึ่งไร้รับทอเสียงเคืนเทียมโคเคลื่อนไปอย่างช้าๆประชาชนชาวกบินพัตแต่งกายอันประณีตบางพวกออกเดินเล่นรับลมและแสงแดดในยามเช้าบางพวกถือตะก้าและกระเช้าดินเดินไปจ่ายตลาด เสีอสตรีจัดเล่นกระปุตดังอยู่เป็นระยะระยะตามความยาวของถนน เจ้บื่องงจงทรงพระเกลิ่นเสียงนั้นดังขุดขั้วท่องถนนพวกเด็กในบริเวณใกล้ใก้วิ่งทู ก, กันเข้ามาพยานงานยัเยบเยินจนเพื่อยืนอยู่ในแถวหน้า ก บ, บินภัตต์กวนสะจัยที่คางแก่ได้นอนดูตนเองและเหลียวมองพระราชนีานางพระราชนีแล้วกลับก้รมรงมองตนเองอสุชนก็หลงไหลลงอาภัพพร้อมเที่ยตนเองกับพระราชนีานางงามที่มีภูมิล้นาวเดิมอยู่เทวทหะเช่นเดียวกับพระราชนีก็มีอยู่ เมื่อได้เห็นพระราชนิเสดไปประสูตรสมาสุภูมิก็หวงพระฤทธิ์ถึงมาดาบิดาตนจึงนั่งลงซดหน้าลงกับฝ่ามือแล้วร่ำให้ ว่าหญิงพวกนั้นมีความอะไรในพระนางที่จะไปจึงทรงปลอบประโลมสตรีเหล่านั้นว่าพระคณีทั้งหลายอย่าท่านกลัเลยการจากไปของเราก็เพียงชั่วคราวเมื่อครอบพริบลอยแล้วจะรูปกลับมาอยู่กับท่านทัง้งหลายเช่นเคยพราจะขอมากชีวิตและร่างกายให้อยู่ในความคุ้มครองของชาวขบิลพัททั้งปวง พอทรงเห็นสตรีเหล่านั้นมีคันแก่ก็ทรงปลอบใจเขาและประธานพรว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงบำรุงคันให้ดีบุตรที่อยู่ในคันของท่านคือขุมทรัพย์อันประเสริฐเขาจะเป็นผู้นำสตรีมงคนมาให้จากดำรงวงศ์ะกูลจากเป็นผู้เลี้ยงดูท่านเมื่อท่านชราเมื่าทางนี้ก็ดี เขาจับปืนสมบัติที่จะวันความผู้ใจมาให้แก่ท่านนุ่งกว่าสมบัติใดแต่แขอให้ท่านได้หลายจงคลาดปุกโดยแต่ภัยร้างโรคทั้งปวงทั้งตัวท่านเองละหมดเสียงชายโห่ร้องกึ้ก้อ่งขึ้นขณะที่พระานางแกัดบศบลงและแล้วเสียงก็ค่อยๆเคลื่อนห่างจากวาวรพระนครออกไป ขณะเดียวกันนั้นพระอาทิตย์กำลังให้ความอบอุ่นแก่พืโลกพืชพันธุ์และปางในกระทงมวลจนกระทั่งพระอาทิตย์โคจรขึ้นมากแล้วเป็นเวลาสายความร้อนทวีแรงขึ้นตามลำดับขบวนทงเบียนมาถึงบริดเวณสารวันอั น, นมีนามาว่าลุมพินีนาที่นั้นเป็นป่าปโปรง่งมีต้งสาระขึ้นเรียราย มีไม้พันหอพันอื่นอีกหน้านาชนิดการตาและผถวบินข้ามต้นไม้อยู่ไปมาเสียงรองเขากับกระแสลนผสมกับกลิ่นบุปชาติรวย ร, รื่นก่อให้เกิดสศกนาฏอินทียพระนามหานายาจึงมีพระสาวนีว่าจยุดพระพงที่นี่ก่อนเถิดมหลายหนแล้วจึค่อยเดินทางต่อไป ซาเลียงค่อยๆลื่นตามลงจนกระทั่งประดิษฐานอยู่ณน้าภาพพื้น ต้นร่มสาระใหญ่ใบหนาแผ่ความรื่นรมเพิ่มเย็นอยู่ทั่วบริเวณขราช บ, บริพานจัดแจงกูลาศอาสนะขึ้นเตรียมมาแล้วให้พระนางประทับเองพิมต้นสาระนั้นพระนางทอดทัศนาการไปเบื้องหน้าในพระทัยชุ่มชื่นด้วยปรรยากาศใหม่ทรงรู้สึกรื่นรมเบาสบายและปลอดโตง ป่าเป็นสถานที่ให้ความสุขทั้งทางกายและทางใจส ก, กุลีหลายตัวจัดจูบบนกิ่งไม้แล้วนอ ง, งลงมาข้างล่างหังนไปจงางจา ก, กันเหมือนจะถามว่าใครนะมีบริว า, ารแยกน้ำมานั่งพักอยู่ละป่านี้ บริพานจิตรุราชประถศนให้พระนาง ม, มัณฑมและวาดวงบริเวณสารมืองทนเพื่อผ้าม่านอย่างดีอาการปวดพระขนได้ลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกางความร้นแรงแห่งแสงอาทิตย์เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พระนางได้รับความเจ็บปวดอยาที่ไม่เคยประสบมาก่อนเลยครั้งแรกแรกปวดชีดๆแล้วหายไป การปวดนั้นค่อยๆทีเข้าทุกทีทุกทีจนพระแท่างรู้สึกเสมนว่าจะขาดใจคนที่พนงาง ร, รู้สึกหน้าที่สุดในเวลานั้นก็คือพระเจ้าสุโธจนะผู้เป็นพระสวามีพู้นงางทรงรู้สึกตื่นเต้นที่สุดในชีวิตความกระหายไข่เห็นเลขนด้อเชื้อไข่ได้ช่วยละน้อยความเจ็บปวดมาได้บ้างเป็นครั้งคราวและแล้ว เวลาอันเติมชื่นที่สุดก็มาถึงและผ่านพ้นไปเมื่อพระนางประสูตรพระราชโอรสซึ่งงานประดุจก้อนทองคำความเจ็บปวดทั้งหลายก็สึ่งไปเหลืออยู่แต่ความโสมนัสสุขใจ คือเป็นอัฉริยะมนุษย์ได้อุบัติขึ้นใน โ, นโลกแล้วณเวลาสาย่อยเที่ยมยังสุกกลางเดือนหกปีจอก่อนพุทธศักราชแต่สิบปีนักถอยหลังจากนี้ไปสองพันห้าร้อย้าสิบสามปีทันทีที่ประโพธิสัตว์สู่โลกเกงเหตุอสังย์งก็บันดางให้เป็นไปมีแสงสวางประหลาดเกิดขึ้นทั่ว จักรวางปฐพีโดนไหวน้อยน้อยน้ำบังบนท้องฟ้าขงรามควนคลางเสมือนจะประกาศให้แก่โลกกระแทัต ง, งมวลว่าอัจฉริยะบุรุษได้บันเกิดขึ้นในโลกแล้ว ความตื่นต้นได้ร่องร้าวพระองค์จนคาดจะไม่ทราบว่าจะอยู่ในเอริยาบทใดผุดลุกผุดเมื่อยอยู่ตลอดเวลาประกระแสเสียงเล่าเมาจาัด ก, กับขร่าชบริพานคนใดก็มีลักษณะสั่น น, รรน้อยๆด้วยอำนาจปีติทนท น, ทนรางมีรูปหรอือทองอุทานโดยน้ำพังพระองค์เดียวแป่ลกชายด้วย ว่าปร่้งใจอะไรเช่นนี้คนนั้นสมรสนคของผู้ที่เกิดในสกุลนกษัตริ์คำนี้ทําให้จิตใจของเราเต็มบริเวณเราคิดถึงเขาด้วยความภาคภูมิใจไม่เคยเลยเราไม่เคยประสบ ป, ปีติปราโมทมากเท่านี้เลย โทธนาก็รับสั่งให้แต่งขบวนไปรับพระราชินีและเจ้าชายน้อยกลับสู่นครกระบี่ละพัฒรโดยเร็วพระองค์ทรงรอคอยการมาของพระราชินีและพระราชโอรสด้วยความโกรธกวายพระไทยส่วน้ระนางมหามายาก็มีความเต็มตื้นพระไทยไม่แพ้พระเจ้าสุธโทธนาพระราชสวามีพระนางเพิ่งจะมีพระโอรสเป็นครั้งแรก ใครเลยจะไม่ตื่นเต้นพิมพิษพระโอรสทีไรอาการยิ่งยาวก็ตายกดขึ้นในวงพักของพระนางเจ้าความรักที่เอือทนพระไทยในพระโอรสนั้นเป็นประสบปปการณ์ไหนซึ่งพระนางจะทราบ ไ, ได้เลยหากเปไ็นดีเองการอนุมาลเอานั้นจะตรงต่อความจริงอยู่บ้างก็ยังไม่ถึงเครื่องหนึ่งของความจริงทั้งหมด เพราะนางรู้สึกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรอีกกล้วที่จะเป็นที่รักเสมอได้ลูกความรู้สึกที่นางตระหนกนั้นช่างละเอียดอ่อนและงดงามาเกินเปรียบทุกครั้งที่มองดูลูกสายตาเห็นความรักในหลังข อ, อกทางจากสุธวานอย่างเด่นชัดสมัตนารดาผูา้มีการมองสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่เชื่อนชูใจเมื่กายมองดูลูก มีการตลังสิ่งใดจะนำโสดระรื่นหูเสมอโดยการต่งเสียงของลูกไม่มีสัมผัสใดนาความซาบซ่านมาสู่สรีระและดวงใจเสมอโดยการได้สัมผัสลูกเขาเคลียหอกยาลูกลูกที้ต้งองเลียงภูมรัจจิตใจแม่ไม่มีวันจะปลดให้หลุดได้ พระนางทรงอุทานขณะประทบับบนเสียงเสด็จขับโศ่พระราชวังพระนางนก้มลงจูงพิจิตรแล้วพยงแผ่วเบาลูกสักใจของแม่นันเต้นเตรียมแต่รู้สึกตัวบาหิวเหมือนฉันลายไปในอากาศได้ลูกคือดวงใจของแม่ลูกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของแม่ ก็สรงยกพระโอรขึ้นเสมอพระอุระเพื่อให้ราชดำเนินได้ชมพวกเ้ามีความตั้งใจอย่างลึกซึ้งพูดออกมาพร้อมกันว่าฉันน่ารักอะรอย่างนี้นางง่ายพูดว่านรื่องดีๆนะเจ้าคะแต่พอจะได้เป็นพระเจ้าเป็นดแทพ่อนางคนได้ถวายเลากไม้สมองไพย เพื่อรักษาพยาบาลพระราชบาลในเวลาฉีกไข้พร้อมด้วยพลัสรคุณของสมองไท่ในเวลาได้ใช้รักษาเด็กอ่อนมาหลายช่วงอยู่คนแล้วช่างซื่อและจงรักพักดีอะไรชนนั้นเมื่อกระพรวดฉลามเข้ามาเพียงไรเสียงวิจารขายาวขานก้นชืเพ่มากขึ้นเพียงนั้นตรวชาชุนได้นกันต่อไป อย่างนั้นเมื่อใกล้เมืองปาะชาชนหาน่นอยู่แล้วโดยปกติคนย่อมมีเสดาตัวมันมากขึ้นค อ, อยืนรอรถเสด็จและชนพระบารดีคนหาเสียงจำนวนแปดนายความเพิ่งปีติแทนนายตนจึงไม่รู้สึกหนึ่งเสนอนั้นปรากฏแก่เขาบางหนึ่งที่ไม่นคนไมั่นอยู่ ขับรถไปกรมตรีและมารห็นรคนอื่นอันเป็ น, น, น, นที่เปลียใจของราษฎรทุกคนมีความปราโมทย์ต่อข่าวขราวอุบัติขึ้นแห่งพระราชกุมารครั้งนี้สุดจากข้างานนับได้มีเพียงการสะบัยสาเนีเท่านั้นไม่นักก็ดและนักประชิบทั้งหลายผู้อาศัยอยู่แคว้นสกักไม่ทราบข่าวแล้ว ต่างก็มีจิตอนนโมทนาและอวยชัยให้พรพระรัชกุมารอ้างเอาเสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งอันตนเรพนาถือให้ช่วยอภิบาลพระรัชกุมารให้พุทธะรอดภัยประสบตะกวันศัความเจริญมีพระพาาดาใ่สมบูรณ์ในจำนวนพระพุทเหล่านั้นมีดาบทดุจท่านหนึ่งชื่อว่าขาสิตะหรือกาลเทวิน เป็ดบทพูกุ้เคยแห่งราชสกุลเป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าสุดโธทนะและพระบ ร, วรมวดินาเยี่งสั้เย่งปวงได้ทราบข่าวแล้วมันร่วงขึ้นจึงเข้ามาเฝ้าพระเจ้าสุดโธทนะเพื่อถวายพระพรแก่พระราชกุมาร ขอรบโนามาเพื่อรับพรและคาระนาบทอันเป็นที่รื่งใสแห่งตนเมนื่อนาบทได้เห็นท่สนาสมณะแห่งพระกุมารน้อยตั้งอยู่ครู่หนึ่งจึงน้มกายโยนถาวายความเคารพแก่พระกุมารพระเจ้าสุทธวัฒนาได้เห็นเหมือนนั้นประหลาดพระไทยแต่ไม่เห็นนาบทอันเป็นที่เคารพรื่งนใสของพระองค์ถาวายความเคารพที่นั้นก็ทรงกระทําตามบ้าง พระประโยชน์ซึ่งประทับอยู่นั้นที่นั้นก็พูทหวายบางคนท้ากุมารไปตามกันแล้วพระเจ้าฟุตโทธนะจึงอรัสถามว่าข้าแต่ท่านผู้ส่งผลราชกุมารเพื่พอประสูตรตัวผีนานเดียวส่วนท่านนั้นมีวัยสูงผ่านเกิดมานานยากเข้าสู่วยชราแล้วนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่น้าเสียงดี มีวัดงามเป็นที่กราบืูชาของมหาชนชาวกบิลพัทรวมทั้งข้าพเจ้าและบรมวงรสารวงเหตุฉนหนท่านพระเจริญจึงน้างานุการพระราชกุมารผู้เยามีอายุเพียงวันเดียวมหาประพิศได้บทถวายคาตอบอาตมาพระพิจารณาดูลักษณะแล้วพระราชกุมารนี้ หาช่ยกุมานธรรมดาสามัญไม่ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ิดยแท้อุบัติมาสูงเพื่อประโยชน์แก่โลกนายมกหนาที่จะมีบุคคลที่นี้เกิดขึ้นในโลกสักครั้งมหาบุพิตรคำพูดมหาปุริสักศักย์ยากรศาสตร์โวยแบบงได้อย่างชัดเจนว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยพัณะเช่องพะกมาน้อยนี้ จะต้องเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่หากครองขราวาดจากได้เป็นพระเจ้าจากกาักรพรริธรรมรัชกาลทรงชนะศัตรูได้โดยธรรมหากออกประโยชน์จากได้สำเร็จเป็นพระสมณะ แล้กำลังเป็นเวลาพันพันปีแล้วแต่แล้ครับ เชื่อมากไทางเสด็จออกมาหาพระสังกมรป็นศาสบาเอกในโลกขอถวายพระพร ในร่างกายของอัตมาภาพฟันก็หักผมก็หอกหนังก็หดเกียวนกล้าสุภาพทั่วไปไม่ทำแต่แล้วม่ท า, ดทาได้ชวมวงประณีของพระราชกุมารม่ทาได้ฟังธรรมเทศนาของพระสังงาสพุทธเจ้าใร่างของอัตมาภาพนี้น้อยเกินไปอัตมาภาพเนเรื่องนี้ จึงไม่อาจกล้าเห็ตาได้อตัตาภาพคงจะเสื่อเชื่อเสียงที่พระเจ้าจะเกิดพัตติธรรมไม่กระลาหราือพระสงฆ์าสมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเพื่อประสัตฐโ งามมากผิวเปนทองงามมากทีเดียวดาวบทพเป็นุพูดเราประชมมาแล้วไม่เพีย ง, งานอย่างเดียวเท่านั้นยังสมบูณด้วยพระมแห่งมาหาบุตทุกประการขายุเราก็ปูนแล้วยังไม่เคยเห็นใครที่สมบูรณ์ด้วยพระมณฑบุตผู้ยิงย่งใหญ่เชนะีเลยเราแน่ใจว่า พระราชเมาปุานจะต้องอรกพผนวประพตพรหมจรรย์จะได้เป็นศาสนาเอกในโลกเป็นพระสาวสผูพุทธเจ้าเมื่อใดพระรอดเมาเสด็จออกผวให้เธอบวด ต, ตามท่านการวักางท่านผู้นี้จะไม่ผล่งใหญ่่เธอเราเสียดายเหลือเกินชีวิตของเราคจะยไม่ถึงเวลานั้น อกเหนียวและที่สนามทางสองสัตว์แก้ให้พ้ทุกแก้วเงลกัถามแเจ็ดดวงผู้เาความเและกัสมสไม่ใสครื่คิดถึงความสามาถของคนเ่านั้นไม่เท่ากันประการนึ่งอประการนบรมของคนเรานั้นม่มเสมอกาจะรู้ว่าคนบคนมีความสามาถสูง จรู้ทันทีได้ว่าเขาฝึกควาสามารถไป็นไรแต่ตนเองก็ไม่สามารถทำได้เพราะสมรรสัยของตนมีเพียงเล็กน้อยโดยกับไม้พันธุ์เมื่อถึงเติบัวเต็มที่แล้วก็เลยเอาทัอนใหญ่ท่อกับไม้พันธุ์จะลอยถึงที่สุดไม้พันธุ์จะตัวกับไม้พันธุ์ใหญ่ได้เฉพาะกรณีที่ไม้พันใหญ่ยังก่อน หราไม่สิ่งกิดการควาัเติบโตขึนมาเทานั้นไมแต่ละพัมธุีคิดถึงความไหลโตขึ้นมาอยูเองแล้วในกรณีที่ไม้พธเดียวกันจะเริ่มเติบโตไม่เท่ากั น, นขึ้นอยู่กับเด่นพอากาศหรือสิ่วดลอดมอื่นพวกล่าข้อต่ลงนั้นไม่าติหนึ่งชาติหนึ่งแต่ละคนมีคิดถึงความสามารถสูงสุดเป็นของตมนมาเรียบรอยแล้ว แต่ความส่วนใหญ่ไม่ได้พัฒนาตนให้ถึงขีดสุดแหด่งสมรรถนะอิสระห่งตนรับไปให้ความสามารถจนอยู่ปแปลบอีกอย่างหนึ่งหมือความเสี่ความสูงทางร่ากายซช่งขึ้นอยู่กับความชัางของกระดูกเมื่ความเจริงเติบโตทางร่างกายขึ้นถึงขีดสุดแล้วเช่นคนอายุ25จะพูดยาวอย่างไรก็ม่สูงขึ้น จะช่วยได้บ้างโดยคการไหวหัวใจเล็กน้อเยเท่านั้นโดยในนี้ในลากาศจะเห็นว่าในชาตินี้เร้องอิสรเป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่อาจไป็ศาสดาเอกได้เรารู้ความสามารถของเราดีแต่พระเจ้ า, ากุมาลโอรสของพระเจ้าสุตต ร, รนั้น์คิดของความสามารถสูงมากเป็นศาสดาเอกในโลกได้ หากพระวงค์ช่วยความพยายามก็ความเป็นอย่างนั้นเชื่อวันเถินดนาลกาเมื่อใดพระราชกุมารเสด็จออกประโนดขอ้เธอออกบวดตามท่านจะไม่ผิดหวัง เชื่อ่างของเรา กูจะสรงเชื่อโกนทางห น, างน้าพราหมณพระผู้ยของพระองค์ยังเป็นใิโอรสเป็นจักรพรรดินางประการหนึ่งให้ประการหนึ่งความมุ่ของโกนทางหน้าพาหมณ์ทให้พระองค์สงสัยว่าขาดไปย้าความไได้วความไม่รวบคอบและเชื่อั่นในความรู้ของตนเองมากจนเกินไปคนหนึ่งส่วนมากนักขาดความรอบคอบเชื่อนั่นในทฤษฎีเกินไป เพราะมีประสบการณ์น้อยจึง เ, เข้าใจว่าแค่ในที่บานไว้นั้นถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นคำพนากรของโกทันเจาราหมแม้จะทให้พระไทยของพระเชษสุดทวชนะห่นหมายไป้า ง, ไไางแต่พระองค์ก็ออยัท ร, รงมี่ว่าคำพนากรแห่งนี้หากองพระตาของพระชาชนานาก็จะทำให้พระองค์หพระไทยอยูน่น้อย ความหนุ่มพรวเจ้าสุตโพรในเช่น้หรือไม่เพียงแต่พระเจ้าสุทธิท่ด้บอกคนทั่วโลก็อยู่ลักษณะเช่นนี้คือรักโดยมีความเป็นหนึ่มของคนหนุ่มในความคิดเห็นคมมนมักหัวแรงๆปักใเชื่อถือสิ่งใดก็เชื่ อ, อย่างแร ไ, ไปพัหนึ่หากสิ่งที่ตนเชื่อถือนั้นเกิดผิดพลาดขึ้น เขาก็จะเป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งน้้อย่างรุนแรงเหมือนกันความชราผ่านโลกมากนานมีประสบการณ์มากทางอะไรคิดอะไรนักแบ่งรอบแบ่งโซ่ไว้เสมอเพื่อได้เพื่อเสีย ใจมากนักแต่ก็ได้อยู่บ้านก็ตรงที่เมื่อได้ทรงเชื้อชนินยนยงกับความสำเร็จของพระเจ้โอรสห า, ากไร้ยังจะทรงดำรงพระชมนม์อาชีพต่อมาอีกสักสามสบกพรรษาเมื่อพระโอรสได้ตั้งร ะ, ะรเป็นพระกุศลเจ้าแล้วก็คงจะทรงปรางดดอย่างร้นคน ขยังงนรองอยู่นตำแน่งอัครราชเทวีแทนพระนางเจ้ามหามายาผู้ทรงเป็นปรพระเจ้าตะกีพระนางโคต ม, มีทรงมาพระไทยใส่ในพระสิท ธ, ธาราระราชบุตรานทรพระรจ้าโอรสทิดาแห่งพระองค์หรือยิ่กว่าพระสิทธะอัคร ม, มหาดแษฎีโลกทรงกำพร้าถมาดาแต่ยาพระนนรชน ม, มายุเพียงจ็ดวัน ต้งสอนโดยให้ความอุปถมัมภ์ในมาดาเลี้ยงเวานั้นพระคุณแม่สอนเรื่องเรื่อ ง, าางมาดาเลี้ยงมาดาแท้าอายเลยทำเลงเดียวกับเด็กทั้งหลายซึ่งมีความต้องการเพียงอาหารและการหลับนอนมาดาเลี้ยงเป็นบุคคลและเป็นคาที่เด็กทั้งหลายมักปรารถนาฟังหรเห็น เด็กที่รู้เดียงสา พ, พอจะแยกความเป็นมาดาแท้มาดาเลี้ยงออกบ้าเป็นใครลรกจะไม่พอใจตมาดาเลี้ยงของตนเพราะมาดาเลี้ยงส่วนมากลูกลิงตาลูกเลี้ยงของตนเกินไปเรื่งองเลี้ยแท้ข็จองอยู่ด้วยแล้วลูกลิงก็จะเป็นเสอนศัตรูคอยทำลายความสุขประการหนึ่งเพราลูกลิงเป็นตัวแทนใองมาดาของเขา ยังวันยังไงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นานดาเลี้ยแต่พ่อของเด็กคอยรักถึ ง, งายดาของเด็กอยู่เสมอเป็นสิ่งกระตุ้นเปลี่ทั้งความสัมพันธ์เก่าๆให้ผูเป็นบิดาระักถึงหญินึ่ซึ่งเคยเป็นปัญญาตนและเป็นสิ่งที่ทําให้มายดานีา้ต้องระักจ้หลังไปถึงอดีตอัเป็นหน่วยกรณีให้เด็กคนนั้นเกิดมาเมื่อเป็นชนี่ ถ้าเป็นผนมากจงอดใจไม่ได้ จะได้รับการศึกษาเมื่อต้นแล้วพระเจ้าสุตโตสังะส่งรับสั่งให้ประชุมแสงนามาตและรัเกณฑศึกษาในราชสุนัขส่งศึกษาว่าจะให้พระเจ้าชิปโยรดศึกษาในสุอาจารใดท่งตั้งเงื่องไขพิจารณาไว้ว่าผู้สมควรเป็นอาจารย์ของพระราชิโยรสนั้นควรมีคุณสมบัติเหมาะสมไม่เพียงแต่มีวิชาความรู้อย่างเดียว อาทิเช่นหนึ่งมีความปะพฤติไม่มีประวัติตามพร้อยอันสตรฤทธิ์แล้วจากแน่ใจ 2. มีความสามารถให้สิรรุดเคารพย่างเกรงไม่เพียงแต่สักว่าสอความรู้ให้แล้วก็แล้วกันไปเป็นื่อที่มีปฏิปทาอันสิดควถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามในภายหลัง 3. ไม่ประจบสิ์เพราะเห็นว่าสิทธิ์นั้นมาจากตระกูลสูง เป็นราชกุมารมีโอกาสเป็นพระเจ้าแผดินต่อไป 4. ไม่คอมคีดดังสิทธิ์เกินไปจนสิทธิ์ต้องกลัวจริญลานไม่กล้าเข้าใกล้ไม่มีความสนมิทสนมไม่กล้านําความในใจเปิดเผย ป, ปรึกษาหาหรือ 5. เป็นผู้ที่มีอธิยาสายนามคมคนที่ควรค่มยกย่องคนที่ควรยกย่องแต่ไม่คมเจน้าพอไม่ยกย่องจนฟู หกสิ่งใดควรกล่าวก็กล่าวสิ่งใดไม่ควรก่าวก็เลี่งเสียไม่ชอบสิทธถามสิ่งใดก็ตอบหมดทุกอย่างเพราะธรรมดาสิทธได้ถามสิ่งที่ควรบ้างไม่ควรบ้างเจ็ดพระพุทธองควเปเสมอต้นเสมอปายมีอารมณ์สนับเสมอได้เกิดขึ้นลงอันเป็นเหตุให้สิทธดูหมิ่ในภายหลัง8รักความสงบ เบ็ดดยฟุ้งๆหลงหายใสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกขอบเตอันจะนำไปสู่ความบกพร่ในการสอนตามบนเวลาที่จะมาถึงเข้าเกมีหลักฐานมั่นคงไม่เป็นคนหลักลอย